บางคนก็จะตั้งใจสมาทานโบสุตินินวันหนึ่งครับคืนหนึ่งบางคนมีธุระมากมีเวลาน้อยก็สมาทานสินห้าประการโดยปกติการสมาทานสินวันนี้จงพากันตั้งใจให้สงบรับตา นั่งสมาธิให้กำหนดเอาเองว่าใครจะสมาทานออุบโบสถถินก็ให้กำหนดในใจมดเว้นโดยตนเองจะสมาทานถิ่นห้าก็กำหนดในจิตของเราว่าสมาทานถิ่นห้างดเว้นด้วยตนเองการกำหนดเว้นวันนี้ เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายมีความฉลาดขึ้นตามเวลาอันสมควรที่เราเคยสมทานินมานั้นโดยมากเป็นสมทานจากพระภิสุขคือท่านบอกไปก่อนแล้วก็วาดตามวันนี้พระจะไม่บอก บอกมาหลายพรรษาแล้วให้นั่งสมาธิกาหนดตามที่ท่านอุบาสกที่ได้ประกาศลักษณะองค์ของอุโบสถนั่นตามความเข้าใจของเราทุกคนเตรียมตัวนั่งกาหนดให้กาหนดเอาเอง สมทานในใจของเราใครจะสมทานโบสถดสิลก็ตั้งใจไหวในใจอย่าไปตั้งใจไหวที่อื่นให้ตั้งใจไหวในใจให้ฟังนในมันดีตั้งใจไหวที่ใจของเรานั้นเป็นสัมปตวิรัตงดเล่นเอาเองแม่เราจะสมทานจากพระ คนที่สุดแล้วก็ยังไม่พ้นสัมปตวีรัตงดเว้นเหลือตนเองอยู่นั่นเองบัดนี้ให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเป็นสัมปตวีรัตจะเป็นศิลอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นอืมคือทําให้พวกอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายพากันฉลาดขึ้นบางคนก็เข้าใจว่า ถ้าไม่มีพระบอกสินก็น้อยใจไม่รู้ว่าจะรับสินจากใครไม่รู้ว่าสินอยู่ที่ไหนก็เข้าใจว่าสินอยู่กับพระเท่งนั้นถ้ามีพระและว้วก็ดีใจว่าท่านจะได้สมทานสินอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมาก สัมปัสวีรัตงดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราสมาทานารีรัตการว่าตามพระและกงงดเว้นตามที่ท่านบอกไปนั่นเป็นนาสีนที่สองที่สามสมเฉตทวีรัตเรียกว่า อะไรอะไรที่ว่าจะทําให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราขอ ง, งดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นสินอัน ย, ยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดเป็นศินของพระอริยบุคคลอืวันนี้เพียงแต่ว่าเราให้งดเว้นเรื่อตนเองไม่ต้องว่าตามหลังสะไปก็ได้ ต่อไปนี้จงตั้งใจกําหนดด้วยกําลังสมาธิให้สง บ, บระงับสักเวลาหนึ่งก่อนเอาพรองตั้งใจทําได้แล้วนะโมตัสสะปะโควะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะโควะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ นะกมูตรศักดิ์ปาวัตุระหโตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังธรรมังสังฆนามามิจตุปะรังสัจจังธรรมโมโซตัฟูปีอวัดีญาติโยมทุกคนในพุทธบริษัตททั้งกรหัตในบ้านป่าจิตในพร้อมกันมา รวมกันณสถานที่นี้ที่เรียกว่าสราลงธรรมเพื่อจะอบรมจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในรูปร่างอันนี้จงพะกันตั้งใจฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตามภาษาพวกเราทั้งหลายพ่อเข้าใจกันว่าเป็นบนรรพะทำไมจึงเรียกว่าบรรพะครูบาอาจารย์กำหนดว่า โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพอที่ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้พอสมควรกับเวลา <c oughs> ตามที่เราทำกันมาก็ทำตามตันติประเพณีแบบแผนของครูบาอาจารย์ เพื่อจะให้มีการเวลาสั้นเข้ามาในการปฏิบัติเดือนหนึ่งเป็นวันพระสี่วันเป็นวันคนยี่สิบหกวั น, นที่ท่านแบ่งให้เป็นนส่วนคือวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำ หรือเป็นวันเกดค่ำแปดค่ำต่อเดือนเป็นสี่วันจัดมาเป็นวันพระคือให้พวกเราทั้งหลายเข้ามาใกล้พระโดยทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราปล่อยไว้ก็มันเหินห่างจากวันพระได้ความว่า เป็นวันของโยมนั่นยี่สิบหกวันต่อเดือนหนึ่งเป็นวันของพระนั้นสี่วันเนี่ยความเป็นจริงท่านก็ให้มากอยู่แล้วนะเพราะว่าการทามาหาเลี้ยงชีวิตของพวกญาติโยมทั้งหลายนั่ น, นลำบากท่านจึงให้ถึงยี่สิบหกวัน ให้ละสิ่งที่ควรละมาบำเพ็ญให้เป็นปกติกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติของใจประมาณเตียงสี่วันอันนี้น้อยคนก็จะเข้าใจบางคนก็เข้าใจกันว่าไม่มีวันพระวันคนเลย เนี่ยดึงไปเป็นวันคนซะหมดอืท่านแบ่งให้ถึงยี่สิบหกวันแล้วก็ยังมาแย่งเอาวันพระไปอีกสี่วันก็เลยหมดเลยเป็นสามสี่วันเนี่ยเอาหมดเลยพวกวันนี้วันพระจะไม่เหลือซะแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดแต่อย่างไรก็ตามประเพณีครูบาอาจารย์ทํากันมาก็ยังเป็นวันพระอยู่เดือนสี่วัน เป็นวันของคนอยู่ประมาณ26วันอันนี้เราอยากขาดโดยมากตัววันนี้มาแย่งเอาวันซาไปเกือบหมดแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดบางบ้านบางวัดก็เลยแย่งเอาวันวันพระไปเป็นวันคนหมดเป็นสามสี่วันเลยไม่เหลือเป็นวันพระเอาไปเป็นวันคนหมดหน่าอายนะ ท่านแบ่งให้ทั้งยี่สิบหกวันก็ยังไม่พออีกเหลือเป็นบรรพระไปเพียงสีวันก็มาแย่งกันหมดก็ไม่ค่อยจะมีลนหมดเมื่อมันหมดบรรพชาไปเท่าไรก็ยังความเลือร้อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นให้พากันเข้าใจพระถ้าพูดกันง่ายๆนั้นพระคืออะไรเดียกว่าบรรพระ วันพระก็คือเป็นบานทิตตั้งกิตตั้งใจหลับหลับพิษหลับภัยหลับราคะโทสะโมหะให้อดกลั่นให้พยายามให้ได้พกพระอย่างวันนี้เป็นบนรณุโสมที่ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีเวลาอันสมควรก็มาตั้งใจรักษาตายวาจาอยู่ในวัดทำให้เป็นพระคล้ายๆมันเป็นพระไม่เป็นพระก็ให้มันเกือบจะเป็นพระที่มันจะมีความโมโหโทโสอะไรประการใดประการหนึ่งก็พยายามลดละวันนี้ไม่ควรจะทำก็ไม่ทำควรจะพูดก็ไม่พูด ให้ควรจะคิดสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่คิดเรียกว่าการปฏิบัติธรรมโอดก้านใจหักใจของเราที่ประกอบไปด้วยลาะโทสะโมหะนั้นให้มันน้อยลงให้มันเป็นพระฟังให้มันเป็นพระการกระทำให้เป็นพระพูดให้เป็นพระกิริยาพาธีทั้งหลายทั้งหมด พยายามให้มันเป็นพระไม่เป็นพระให้มันใกล้กับไปหาพระอย่างที่ว่าไม่พูดโกหกสอเสียดคำหยาบเปอร์เจอร์ทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มีในวันนี้ทําไปติดต่อกันไปนานๆไปเดือนละสี่ครั้งมันหลายเดือน มันก็ไลยหลายวันเพิ่มภูมบา ร, รมีขึ้นจนการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ไปตั้งอยู่ในสันดานของพวกเราเมื่อนึกจะทําสิ่งที่ไม่ดีก็มีความลายอยู่แล้วเมื่อคิดจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความลายอยู่แล้วเมื่อจะทําสิ่งที่ไม่ชอบทําอะไรก็มีความลายอยู่แล้วเพราะทําไม ทำไมมันถึงมีความลายเพราะเราได้ผลจากการฝึกเดือนหนึ่งสี่วันนี้เองแต่าหากว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดูเรื่องเลยว่าวันมีแต่วันคนทางนั้นวันพระไม่มีคือไม่ได้อบรมก็ไม่เกิดนิสัยไม่เกิดปัจจัย ถึงราคะโทสะโมหะนี่มันโดนบันดาลเกิดขึ้นมาก็าพูดไปทำไปคิดไปโดยไม่ระมัดระวังอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ได้ฝึกหัดพุทธบริษัทเราทั้งหลายเข้าใครครับเราเคยเห็นไหมอย่างโยมผู้ชายเรา ถ้าหากว่าเดินไปกับพระถ้าเห็นโยมผู้หญิงมาแล้วก็เรียกว่าไม่ออกเห็นไหมไม่ออกถ้าไปกับพระต้องเรียกไม่ออกนะไม่ออกถ้าไปกับพระเห็นโยมผู้ชายมาก็เรียกว่าพอออกพอออกเห็นไหมมันเสื่อมต่อกันไหม น, นะ ถ้าไปตัวตัอ ต, ตัวเราไม่มีพอออกไม่ออกล่ะเข้าใจมไหมนี่อะไรมันบังคับอยู่อาตมาเคยไปตามวัดเนาะถ้าไปรวมรวมกันแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าไม่ออกแต่อยู่บ้านก็เคพูดอย่างนั้นเนาะทําไมให้เป็นอย่างนั้นออืนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้ จนเป็นส้นลานพกพวกเราทั้งหลายจะเรียกว่าพ่อออกแม่ออกนี่เป็นประเพณีของบ้านของเรามานั้นวันนี้ท่านจึงว่าเป็นวัรพะฝึกไปเรื่อยอืมบรนพะหลังนั่งก็ฝึกมาบรรพะก่อนๆนั่งก็ฝึกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฝึกไปเรื่อย นอนาคตต่อไปเรามีชีวิตอยู่ก็ฝึกไปเรื่อ ย, อยการฝึกนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดอุปนิสัยเกิดปัจจัยให้พวกเราอ่อนน้อมไปหาธรรมะทางกายทางวาจาใจของเราของไซ ไอ้ที่เราเปลี่งวาจาออกมาจากทางนั้นไม่ใช่ว่ามันออกมาจากที่ไหนมันออกมาจากใจของเรามันออกมาจากใจมันจะพูดดีงามก็ออกมาจากจิตใจของเรามันจะพูดคำหยาบเฟ้อเจอก็ออกมาจากจิตใจของเราถ้าเราทำจิตใจให้เป็นพระ พูดยาปราศิญญิยามารยาทก็เป็นพระถ้าเราไม่ฝึกในเวลาที่เราไม่ได้ฝึกปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันมาก็เหมือนกันกับญาติโยมที่พูดกับลูกหลานชาวบ้านมีการพูดคำหยาบพูดไปเจอเป็นปกติเลยมี่การพูดอยู่ชาวบ้านไม่ถึงอย่าง น, านั้น ถึงแม้ว่าเราวันนี้เราจะมาวัดเมื่อก้าวเข้ามาวัดจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราเข้ามาวัดเมื่อเข้ามาวัดจะพูดอะไรจะทาอะไรมันก็นึกถึงวัดที่เราอาศัยมานี่นเป็นเหตุให้ประครับประคองจิตใจของเราเห็นธรรมะไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เว้นจากการพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดปืนจืดได้อันนี้ก็อาศัยที่เราเข้ามาวัดมาฝึกการฝึกนี้จิตใจนี้ก็เหมือนกันกับเราฝึกเราพ่อแม่ฝึกเรามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เล็กๆ เราเกิดมาตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวอาหารการบริโภคก็เป็นนมเหลีอวแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามาต่อมาก็เคี่ยวข้าวเหนียวใส่กล้วยห่อหมกเนื้อเหลียวให้กินเด็กมันก็กินมาเรื่อยมา จนกว่าว่ามันจะโตโตขึ้นมานะอืมโตมาพรอมสมควรแล้วก็เลิกละ่ะการกินนมนก็เลิกซะแล้วอืาได้เอาข้าวเหนียามาปั้นๆเอาเรืองโรยซะเอาใส่มือให้มันเนี่ยเด็กมันก็กัดกินเองนี่รู้สึ ก, กว่ามันโตขึ้นมาแล้วอาหารมันก็แข็งขึ้นมามันค้นจากหยาบมาแล้วมันก็กินได้เด็กๆอยู่นั้นอนะตองอู้ ม, มันไป ไปทีนี้ก็ต้องอุ้มันไปอาหารมันก็เหลวเพราะมันยังเด็กอยู่เมื่อมันโตขึ้นมาอาหารมันก็แข็งขึ้นข้าวกินเองเดินเองเรา ก, ก็พูดเองใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็เพราะอะไรเพราะการเราฝึกการฝึกนี้แหละมันจึงเป็นคุณค่ามากหลือเกินที่เราจะทิ้งไม่ได้ ฝึกมาเรื่อยๆจนเดินได้จนวิ่งได้จนทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้โตขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนสอนเด็กอื่นๆต่อไปอีกนี่ก็เพราะอะไรเพราะการที่ว่าเราได้ฝึกมาเราฝึกธรรมะก็เหมือนกันฉะนนานฝึกธรรมะก็ฝึกใจ ฝึกใจให้เป็นธรรมะฝึกใจให้เป็นธรรมะใจมันจะโหดเยี่ยมฝึกใจก็จอ่อนน้อมมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเราเข้าวัดเขาวาจนเป็นเท่าเป็นแก่เป็นพ่อคนแม่คนการพูดก็เป็นธรรมะการคิดก็เป็นธรรมะ การกระทำก็เป็นธรรมะอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากการฝึกต่อไปก็อาจฝึ ก, กจิตลึกเข้าไปถึงการภาวนาให้ทำจิตให้สงบระงับแม่จิตที่มันวุ่นวายก็พยายามทำจิตให้มันสงบมันระงับเรียบร้อยได้ดีจนกว่าจิตมันสงบเมื่อจิตมันสงบขึ้นมาแล้ว มันก็เกิดปัญญาความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเมื่อมันรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วรู้จักบาปแล้วก็รู้จักบุญแล้วก็รู้จักคุณแล้วก็รู้จักโทษต่างคนต่างรู้จักพ่อจักแม่รู้จักบุคคลที่มีคุณ รู้จักบุญรู้จักบาปทุกๆกคนแล้วนะเราก็ประกันอยู่กันสบายนี่ก็เนื่องด้วยการฝึกหัดแต่กะโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนพูดธรรมะได้สมัยก่อนเรียนธรรมะธรรมะยังไม่มีอยู่ในใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาแล้วจนน้อมเป็นโอปนายกกระท น้อมธรรมะเข้ามาในใจให้ภาวนาด้วยเช่นรู้จกักการกรองอารมณ์เป็นต้นว่าจิตของเรานั่นน่ะมันหลายอย่างนับมันไม่ท้วนอันนี้ถ้าเราปล่อยมันไปอันนั่นเป็นอาการของจิตมันวิ่งไปตามอารมณ์ในไหนทุกอย่างมันวิ่งไปวิ่งมาวิหลายเรื่องอืม หลายเรื่องมันมาพบสภาวะทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็หลายเรื่องหลายราวคนก็เกิดความคิดอะไรมากมายจนไม่มีที่สุดจบอย่างนั้นพระบรมครูของเรานั้นท่านจะทําความในนึกคิดของเราให้มันน้อยเข้าให้มันสั้นเข้ากลันกรองเข้าไปให้มันละเอียดจนกว่าจะมันเกิดปัญญา ที่เราเรียกว่าการภาวนานี่ภาวนานี่อันนี้คุณมันเพลีย ก, กินเห็ดอร่อยเมื่อเรากินแล้วเราจะไปเกลี่ยเห็ดว่ะเห็ดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ขี้ดินนั่นแหละอืกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไม้คน แ, แ ค, แค่แค่นี้ถือเป็นแถวเดินตามทางไปเจ๊ก็คิดคิดว่าเห็ดมันจะเกิดอยู่ตามทางเลยไปขี่มอเอา์ขี้มอเอรขี้มเาเลยใส่กรึ่งกึ่งก้ามาแล้ว เดินไปรอบภูเขาบ้างก็ไม่มีเหตุเนี่ยเออมันเป็นซะอย่างนี้คือคิดว่ามันเอาง่ายๆชาวบ้านเราทั้งหลายเนี่ยเขาไปเก็บเจลืตรงไหนมันมันเมื่อที่มันจะเกิดเหตุป่าไม้ยังไงจะเกิดเหตุเมื่อคงรู้จักเปลืกๆก็รู้จักเจ็ดไม่รู้จักเห็นแต่มันเห็ดมันอยู่ในถ้วยกับมาอร่อยอร่อยนั่นจะไปขี้มันเลยก็ไหนมันก็ไม่ได้นี่นี่อันนี้คุณมันกัน เราจะมาทำจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่ตอ็คิดว่ามันจะง่ายง่ <c oughs> ายเมื่อมันนั่งเด็กเออขาก็ปวดเอวก็ปวดขี้เกียจก็ขี้เกียจร้อนก็ร้อนสารพัดอย่างเียวุ่นมุนเอ้ย จะมองให้นสมาธิมันกวไกลกว่าฟ้ากว่ดินมันจะเห็นยังไงได้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะทํายังไงเพราะนั่นเป็นของทํายากยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็เป็นของง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างญาติโยมเราทั้งหลายที่มาฝึกกันนี้ขั้งแรกก็ลําบากอาจารย์ก็ลําบากเหมือนกันไปนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์ นอน ก, กระลืมตายดีๆขึ้นมาท่านอาจารย์ทัน่นเริ่องหรือยังเนาะลืมตาขึ้นมาดูท่านยังหยุดเอออีกดันเกือบตายเหมื่อตายเข้ามาล่ะมองดูอาจารย์ท่านเชยอยูอ่อา้อาวแต่ยังไม่หยุดเอาอีกโอโ้โหเกือบตายนะนั่งเป็นชั่วโมงสอ ง, องชั่วโมงท่านสบายเราเกือบตายทะแล้วแน่วันหลังท่านบอมานั่งสมาธิกลัวทะแล้วเข้าสมาธิกลัว เพาะวรแต่วันบานนี่นะทำไปเหตุเหตเหมือนนะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นของยากลาบากที่เรายังจะพึ่งฝึกใหม่ที่เราฝึกยังไม่เป็นก็เป็นของลาบากให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันลาบากมวดทุกอย่างถ้าเรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เป็นมันเป็นของลำบากทนั้น ไอการที่ลำบากนี่แหละนะมันจึงเป็นอุปสรรคให้เราทรมานเราถ้าไม่มีสิ่งที่ลำบากไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติเราจะปฏิบัติให้มันดีก็สิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปเมื่อไปทําสิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่มันไม่ดีไป กว่ามันจะข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนี่มันอ่อนใจแต่แล้วล่ะเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนอย่างนั้นการฝึกนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝึกไปนานๆฝึกไปนานๆก็นั้นถนนทางเราเข้าไปในป่าครั้งแรกเราก็เดินไปตามป่าเดินไปทุกวันทุกวันเดินไปเรื่อยๆเลย เป็นปีสองปีมันก็ค่อยๆเดือนไปดินค่อยๆแข็งไปหัวตอมันก็ค่อยหายไปก็เป็นทางเดินในที่ทางเรื่องจิตของเรานี่ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพยายามทำมันไปเรื่อยๆไปมันก็สว่างไปเรื่อยๆไปยกตัวอย่างเช่นที่ว่าเร า, าเกิดขึ้นมา มันก็กินข้าวกินปลาพอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าเลยรกับเรานะ่ะตลาดยุทุ่งนายจะทำไงเนาะท่านห้ามไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวกันนั่นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็หมดปัญญาแลยล่ะไม่จะไปหากินยังไงนาะ ไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะไม่มีทางก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่าเราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้กใ็ให้อุบายกันหลายตีหลายเดือนหรือ่คือมว่าคล้ายๆว่า คนทำนากินข้าวอย่างนี้โดยตรง่าคนทำนาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรก่นในตลาดกินอะไรกินจักรเหรอไม่กินผ้า <c oughs> เออนี่แล้วเราคิดอย่างนี้ก่อนสิเออนี่เราทำนาเราต้่งกินข้าวแต่คุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างอื่นสัะไม่ได้ไม่ได้กินข้าว ก็คงคิดว่าคนทํานากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทํานาแล้วไม่กินข้าวเพวกะพอข้าเก็บจากอยู่ในวารินอยู่ในอุโบนมันกินผ้ากับจากล่หรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกองหนึ่งที่เรามาใช้ในบ้านเรานะ่ะเราทําเป็นไหมไม่เป็นทําไมเราเลยใช้ไม่ฉีดไฟ เอามาจากไหนนี่ที่เรียกว่าใครทําไม่ขีดไฟเป็นจริงหรืใช่ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมั้งก็เหลวเท่านั้นหลยเน่ะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะตามบ้านนอกเราทําเคย ท, ทําถ้วยกระไก่ไหม ท, ทําถ้วอยอะไรเล็กเสื้สวยนีมน่มีไหมทาไม่เป็นอยู่ในบ้านเรงมีไหมมีเอามาจากไหนนั่น นี่นะชิ่งที่เราทําไม่เป็น เ, นเราหาสตางค์เป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช่ถ้วยต้องทําถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องด้วยปัญญาของเราเนี่ยอะช้อนเราตักแกงขึ้นะนะเราทําไม่เป็นเราไปซื้อเอาใน บ, บ้านเทก็ได้เแน่นนี่นี่เนื่องด้วยปัญญาแล้วกท็ทำได้ ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทำให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์ผู้มีปัญญาแล้วนะเป็นปวัตตมังสปะปวัตตมังสะเมื่อสัตว์ที่มันตายแล้วที่คนยังไม่รู้จักอยู่เป็นตนทาไปเขาจำเพื่อกินเพื่อขายเขา เรามีปัญญาหาอะไรจะเปลี่ยนเรนาการภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่ า, ยาไปทําผิดอันนั้นแต่ทําให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขาที่ใจะทรงคุณวุตติที่มนุษย์เราอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคนเหมือนองค์สงเดชปัสสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวก ข, ของท่าน ก่อนท่านก็เป็นพุทธชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่อท่านมาประิปฏิบัติแล้วในเป็นโซดาสกิตาคาเป็นพัฒนาคาเป็นพาละหันดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึกฝึกแล้วมันก็ถอยมาถอยมาถอยมาปัญญามันก็เห็นชอบขึ้นมาความร า, ายบังคับร้ายขึ้นมา เรื่อยอัตมาเคยสอนนักปลาดคนหนึ่งซึ่งเป็นทายกแต่เขาทำโบโสดสินเขาก็ทำทำอะไรก็ทำทุกอย่างแต่เขายังหาปลาอยู่เขายังหาปลายมาฟังธรรมอัตมาจะมาเทศไดยฟังอีกแก้ไขตรงนี้ังไม่ได้เลยโดยมากครับใจเบียเอาเบียรมอมไป เกี่ยวปากตาเ น, ะนี่มาเข้าว่าเข้ามาในข้า ม, าามันมันมากินเบียดเข้าอัตมากรเทศเลาะไปเลาะมาเนะ่ะอายขึ้นมาก็ทําอยู่แต่อายมันลัางอเบียแต่ปากเออตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็มากินเบียดของฉันเนะเอะไม่ถึงค้าวตายยังมากินของฉันเนอะ เพี้ยนไปแล้วนี่มันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ยแต่ก็แต่ก็เองไปกนบนนปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าไอเบบียดมันเกี่ยวปลกแมยสมสารมั้งเงี้ยก็เอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วปลามันไม่รู้จากความมากินเ บ, บ็ดเราว่าอยูนในใ่ในใจติด ใ, ใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเนี่แหละมามาล่อหลงมาที่มากินเราก็ทําไปอยู่ดีดีอย่างนั้น นานนานไปหยุดไม่เอาพึ่งเอามาแล้วเป็นต้นไม่ฆ่ามันเอามาปล่อยไปในในในหมอ้อเนี่ยคอยจางนานนานไปทีนานนานไปทีเหลือกบสิเนี่ยกบกบเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเวลาทาอยู่งั้นแหละอย่าไปทํามาเลย ดูมันดีที่กบดูดีดีจ้ะโยมจะฆ่าก็ไว่าหรอกแต่ไหวดูมันดีซะก่อนจับมันขึ้นมาดูหน้าดูตามันจะว่ากบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะดื่มตาอยู่เอาดูตัวพีแกก็ฆ่ามันฆ่าเห็นว่ามันบาปอยู่นะแต่ว่าไอ้กำลังลูกเมียมันดันขึ้นมันไม่มีอาหารแกก็ฆ่าไปเรื่อย ค่าเงนเอออันนี้ก็ไม่ดีมกันแนตะนะ่ว่าทำยังไงน้อนะวันั้นางผ้ากบมาหยุดที่จับมาที่นี่ไม่หักขามันทีนี่แต่ก่อนมันหักทั้งขาหน้าขาหลังมันที่เดียวเออกลัวกลัวมันจะออกจากหมอ้อจากข้องมันจับมาก็ถือว่าเราจับมันมาเฉยๆเน่มันเลี้ยงไป เราไม่ทําอะไรมันหนอกเราจับมาไปเฉยอคนอื่นเขจะตามก่อจางก่อเสือเราไม่รู้เรื่องแต่มันรู้อยู่นะนะทําไปมันก็รู้ไอเราจับเขามานานไปนะคือ ม, มันมันเขาฆ่าเขาเราจับมันมาเนี่ยนะเออมันมันก็โทษเราคนละห้าสิเอร์เซ็นต์นะมั่งนี่คิดไปคิดมาคิดอกินยากลำบากจะไปกินมาเลยที่ลังอ่ะเอไม่หักขามันจับมาขังมาแบบเฉย แม่บ้านมาเหตุก็ไปทำไปทำไปทำก็เฉยมันเฉยไม่ ไ, มได้นี่นี่ก็เป็นพ่อเราไงน ะ, นะหากขาแล้วก็ไม่ใช่เราไม่หากขาเพราะเราทั้งนั้นแหละพ้นที่สุดในเลิอกเลือกแม่บ้านกระบนไม่มีอาหารไห่อยู่ให้กินในวุ่นแล้ะลงดงดงว่านนี้ไปเอาไปดีๆก็เข้ามาวัดดีๆฟังมาหากะ พระกัจจประเทศนี่ฟังกลับไปบ้านแม่บ้านกัเทศนี่ฟังเข้ามามากพระกัจจเทศนี่ถอยออกมาเข้าไปในบ้านแม่บ้านก็ยุเข้าไปโอ้จะทําไงดีนาะนีเนาะทุกเดือนเนาะทุกแต่เ้าวันเกิดมานี่ทุกหลายคิดไปคิดมาก็จนโยมแม่บ้านเขาพูดยังไงก็ไม่ไหวพูดหนึ่งเขาก็รีบร่อย ได้โอกาสทำาลวงตาสุดมาจำมาจาศิลวันพรกับพระได้ไปอยู่ในบ้านไม่ฆ่ า, า, ศาศาสตร์กับเขาก็าไปหากินกับเขานี่ไปเป็นพอค้าเกลียนในราน้านกกรจะบวชนั่นนี่นะเขาให้เดียงวัวให้ไปหาขมมาแกงก็ไม่ได้กินอไอ้เนี่ยเดียงที่วัวแสดเนี่น ไอ้พวกเขาไปหาช่างข้าวในในบ้านแกแกเฝ้าทับเลียงบัวเรี้ยงวัวเส้นสายมามันหิวหิวน้ำก็ เ, เลยมากินน้ำาจะเขาอากบมาขังไปในกระถังอะ่ะขาหลังมันก็หกักขาหน้ามันก็หักแล้วไอ้คนไปกดินสังจัๆงจังจังจ๊งจงจจัจจออะไรน้อนี่น้อไปดูโอ๊ยกบมันออกจากกระถังไม่ได้ โอ้ยลูกเอ้ ย, อยเวียนกันเนาะจะไปทิ้งกับกลัวเพื่อนจะรุมเบอลเนาะจะปล่อยก็นะ่ะกลัวกบจะตายเนาะเดินไปเดินมาหึก็เลยไปจับกบกันออกไปปล่อยกันนะูน้นแต่คนหนีไปโนะ้นไปเดียงวอยสร้างครูนะเมื่อเพื่อนออกมาจากในบ้านนะมาจะมาทําอาหารกบไม่เห็นเธอแล้ว ไครกบเอาไปที่ไหนเนี่ยเถียงกันวุ่นวายวัยท่านก็นไปเรียงงวฟังไปวางโพนฟังเน่จะเอาเราเ่ะอเออโมเมนหมอดีเ น, นพนุนมะมปล่อยกบผ่าวเสัยนคนว่าตกใจว่าบเลยก็ช่วยนะเขาเ็ไปหาหนึ่งมาถามกันถึงเวลาเขาทำอาหารแล้วเขามากินข้าวกับเขาเรียกมาเขารู้จักกันละ แกเป็นคนใจบุญจับขูบจับปลามาไว้แกปล่อยทันั้นเน่ะเขาเขาหัวว่าเนี่ยพเข้าข้าเข้ากะเขาก็ทิ้ข้าเขาก้กะเขาสบายพอดีปั้นข้าวขาึนข้นมามันหิวหิวน้นสายแล้วนะจะไปจี้มปน ก, กูบกับเขาน่ะเขาได้จับแขนยศใจบุญจะไปกินได้ไหมที่ ก็โอ้ยในใจโอทุกข์เกเทนโนเกิดมาในโลกนี้ทุกข์เกเนโนไม่สบายใจเลยกินข้าวเลยก็เลยพูดกลับไปนี่เราจะบวชแ่มันรูแล้วลดูรอดระ บ, บากเหลือเกินนะอย่างนี้ในกองําบานกลับมาบ้านพอดีทางบ้านเขาทํากองบวชกันพอดีหน้าคนหนึ่งมันหลักหนีเวลักหนีไป ให้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเย้ยกันเล่นเอ้ยนูน่นจะเอาคนนั้นเข้ามาบวชนะ่ะนักบวชเขานักใจบุญกันน่นะก็เลยไปจับมาเส้นสี่แฉกนี่ตกลงบวชเนี่ยโกนผมเลยไม่ได้ขานนาคเลยแม่บ้านก็ไม่ได้บอกโกนตอนเช้ามาก็เลย่ากินเอ้ยเราก็จะบวชครั่งนึ่จะไปบอกแม่บ้านไม่บอกเผื่อนั้นอันตรายนะมั้ง จำเป็นกขเลยโกรผมแล้วก็ชอบเป็นอย่บ้านไปบอกแม่ว้านพ่อแม่ว้านมองเห็นโกนผมร้องไห้ด้วยตั้งเนือนะอือก็ะทือบบ้านเตินเติ่นเติ่นน <c oughs> ้องาสุดเอ้ยให้พูดซะก่อนให้ฉันขอทีเธอขออนุญาตบวชเธอฉันก็เกิดกับพ่อกับแม่ฉันไม่เคยได้บวชให้เลย อืม อ, มอม่บวชเดี๋ยวฉันก็จะสื่อกองให้อนุญาตฉันบวชจนะ้าพูดไปพูดมาตบลงเม่บ้านเขาก็ดีเหมือ น, นให้บวชนะบวชไม่ออกจากบวชเลยป่ะผมบวชผมจะทาําไงดีทันอุปชาบวชเดิน้างมาอยู่นี่เลยทันแต่บวชจริงๆเนะ่ยไปเป็นกรรมฐานเลยมาอยู่บ้านก็ปเป็นอย่างนี้แหละอืมพอได้เข้าใจก็ออกเลย นอนนอนในโบสถ์คืนหนึ่ตอนเช้าก็ลาไปถามอาจารย์ทองรัตนอยู่ที่ไหนนอกไปหาอาจารย์ทองรัดน์เลยพอดีก็พายบาดพ ร, รุงพลังไปภาพใหม่ใหมผมาก็ยังไม่เป็นเนี่ยน้งไปกราบนุษยนอาจารย์ทองรัตน์โอ๊ยสัตอาจารย์อืผมไม่มีอะไรแล้วผมมามอบกายถวายชีวิตแกสัตว์อาจารย์เนี่ยแล้วอืมอาจารย์เออดีแล้วนะบุญหลาย อย่างงั้นจะไม่พบอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหนีไปแล้วนั่งกราบตรงนั้นน่ะบวชมาได้ใจผมทำยังไงพอดีจอจอไม่เจงมันมันเป็นแก่นร้อนอยู่นั่นน่ะตั้งอยู่หลายปีละให้ท่านทำเหมือนจอนเนี่ยหัวจอนเนี่ยอย่าไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำเหมือนหัวจอนเนี้ยเท่านั้นแหละ <c oughs> ท่านบอกกรรมฐานให้เออท่านเทศยรเนีฟังให้ทาเหมือนหัวจอน ก็ไปนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิ ด, นนคดจะทำง่ายก็คิดมาตั้งแต่ไอๆต่อไหมมันเป็นเมล็ดันเกิดมาจนมันเท่ามันแก่จนเขาตัดมันเหลือแต่ต่ออยู่อย่งนี้มันเป็นต่อขนาดนี้มันจะทำไงม่นก็ไม่เกิดอีกล mm. เล้พูดไปพูดมาเลยเอาหัวต่อไปไปภาวนากันโดยขยายขยายออกไปขยายไปทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อโก็เโนอมเข้ามาหาเรา เรานานๆไปมันคงเหมือนจ่อเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านก็ตั้งใจเลยเลยไม่ศึกเลยไม่ศึกไปพบจะมาว่าโยงแม่ว่านยังอยู่หรือเปล่านะ่ะไม่รู้ได้ยินข่าวตายแล้วว่ า, า, า, างั้นได้บวชทำไมไปเข้ากันเลยเลยเลิกกันเลยเนี่ยอุปนิสัยท่านมีท่านปไปของท่านอย่างนั้นยากลำบาก ถ้าหากว่ามันถึงใจแล้วไม่มีอะไรกัน้นกลางล็อกมันก็ไปของมันจนได้พวกเราทุกๆคนก็เหมือนกันออเอาไปพิจารณาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้แล้วกน้อมถึงการไอ้ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันลำบากไม่เกินไม่ลาบากเท่าที่ว่ามันเกิดมาตอนนี้นะต่อไปอีกมันก็จะลาบาก ผู้น้อยมันก็ยังจะโตผู้โตมันยังจะแกะ่ผู้แก่แล้วมันก็ยังจะเก็บเก็บแล้วมันก็ยังจะตายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราเป็นวรระมันไม่จบสิ้นสักทีหนึ่งเลยท่านจิงให้ภาวนาเรื่องการภาวนานี่จริงให้ทำเป็นสมาธิซะก่อนสมาธิคือทาใจให้มันสบงบแล้ครับ เหมือนน้าในกระมังเรานั่นนะเราสักมาตั้งไว้เรามากลัวเนี่ยมันกระเพื่อมมันไม่สามารถจะมองเห็นพัดลมมันจะมองเห็นฟ้าอะไรต่างไม่มองเห็นพอน้ํามันกระเพื่อมอยู่ใจเราก็อเหมือนกันนี่นั่งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันวีตกวิจารนถึงทุกสิ่งสารพัดมันก็ไม่มองเห็นความสงบละถ้าจิตใจถ้าน้ํา ม, มาสงบแล้วนะ่ะ มันน้ำมันจะนิ่งเมื่อน้ำมันนิ่งมันจะมองเห็นพัดลมมันจะเห็นฟ้าจลามันจะเห็นตัวชิจบเห็นตัวหลายอย่างนอกจากมองเห็นหน้าตาของเรามันจะมองเห็นในหลายอย่างไอ้ตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้มันชนะแสงสว่างทั้งหลายนี่สว่างคือปัญญา นักปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอมือรวยปัญญาไม่มีไม่มีการที่เราทำมันมีเหตุมีผลไม่ถึงเหตุถึงผลมันมันก็ยังไม่ได้รับผลเช่นยกตัวอย่างคือว่าไม่ลำปออันนี้คนโบราณที่จะบอกเราว่าหลาน ต้องการไฟไฟอยู่ที่ไม้ลำปอนี่นี่ทำไงเอาไม้ลำปอมาสีกันเข้าไปเถอะไม้ลำปอแห้งๆ ห, หรือไม้ไผ่แห้งๆนี่ไฟจะเกิดตรงนี้แหละอย่างนี้นี่เดี๋ยวผู้สวดประการมาแล้วเคยได้ไฟจากไม้ไผ่แห้งไม้ลำปอมาได้เกิดเป็นไฟก่อไฟได้เด็กรุนรุ่น มันได้ยินคนแก่ว่าไฟอยู่ตรงนี้มันก็เอาไม้ลําปอไปสีกันเข้ามาเอาไม่ไผ่ไปสีโอ้ยใจเล็เกมันอยากไล่เร็วนะีสีสักเล็กสักน้อยมัเอ้ยมันจะทำไมมันไม่เกิดไฟเลียมันจะร้อนเข้ามาสิ่งก็พักออนโอ้เหนื่อยแต่แล้วมันก็เย็นเย็นก็ตั้งใจมาสีอีกสีกว่ามันจะร้อนร้อนขึ้นมาก็ขี้เกียจดีละ หยุดหน่อยหนึ่งต่อไปภาสีอีกก็อยู่อย่างนั้นจนมันจะเกิดความเกิดไฟแล้วก็หยุดจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดก็หยุดหยุดอืก็คล้วงไม่ลําพองข้าป่าเลยว่ามันคนแก่โกหกเรามันม่มีไฟที่นี่นจะมีตรงไหนเนี่ยนี่คือความอดทนไม่พอไอความลังเกียจมันถมทับเข้ามาเอไอ้ความร้อนมันไม่สมรุ่นไฟเมื่อก็ยังไม่เกิด ก็เหมาว่าไฟไม่มีในที่นี้อืไฟไม่มีในทีน่นี้มันก็เลิกจากประโยชน์นั้นไปเสียการก็ทําเพียนอย่างนี้กเหมันกันนั่นแหละอหน้าเราอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้เร็วๆไอ้ความเร็วของเรานะี่ยมันเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายที่สุดใจของเรามันเร็วเร็วกว่าเครื่องบิน เร็วกว่าทุกสิ่งสารพัดเรื่องจิตใจของเราเนี่ยมันเร็วมากที่สุดด่ะทีเนี้ยจิตนี่มันก็ไปสมโฟบกับปัญหา<ม>ตัญหาเขาคพาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำอะไรกไ็ไม่ได้ตามปรารถนาของเรทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่านักศึกษานักปฏิบัติตักวันนี้ก็เหะือนกันเขาต้องการทางรวดเร็ว จะมาข อ, อนั่งสมาธิสักสองนาทีให้เป็นสมาธิน่ะนั่งตรงนี้ก็ไม่พบไปตรงนั้นก็ไม่พบไปตรงนี้ก็ไม่พบมันก็ไม่พบจะพบอะไรมันไม่ร้อนความร้อนมันไม่สมบูรณ์กันไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาพุทธศาสนาที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้พระพุทธจองค์จะทำใจให้เย็นยง อย่าเร็วเกินไปําเย็นเย็นเย็น <ๆ S 2> เยนเพราะจิตใจของเรานี้มันข้ามเี้ข้ามผลอย่างนั้นบ้านเราก็คงไม่ขโมย ม, ม, ม, มีขโมยหรอกนะจะทำไรทำนาหาเงินหาทองมันลำบากไอ้ที่เขาหารวมๆกันเป็นยองเบาดีกว่ามันง่ายดีมันอยากไดง้ง่ายอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยไอ้คนเกิดเป็นขโมยก็มันเป็นเพราะอันนี้อ่ะ ไม่ต้องทํามันเลยเขาเก็บไปตรงนั้นก็พยายามไปจอบไปมองเอาตรงนั้นแหละนะมันก็เป็นโทษเขาจะจับมาฆ่ามาตายขนาดนี้เป็นต้นมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีขโมยเกิดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นความรู้ที่สมรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ว่า มันไม่ได้ตามราถนาของคนเราเป็นบางอย่างเพราะเรามใจร้อนร้อนเพราะตัญหาร้อนเพราะความอยากทุกสิ่งสารพัดอย่างสิ่งที่เราไม่รู้จกักว่าเป็นความอยากมันก็เป็นอยากหมด อ, มอยากอยากได้อันนี้มันก็เป็นความอยากแต่คำพูดว่าไม่อยากให้มันแตกนี่แหละคืออยาก ไม่อยากให้มันแตกมันก็เป็นตาหาคืออยากเป็นวิภาวาตานาเมื่อมันแตกลงไปเมื่อไรเราก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้แตกนั่นแหละคืออยากเห็นไหมมันกลับกันไปกันมาอยู่อย่างเนี้ยอกลับกันไปกันมาอย่างนี้อยากไม่อยากอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ ไม่อยากให้มันแปลไปอย่างอื่นคือไม่อยากให้มันแตกนั่นมันก็อยากตามภาษาบ้านเฮาว่าโอิโอเจนเบลยากษ์นอฟที่เส้นน้ำกระพริบที่นอฟที่เส้นวกกระพิบที่นอฟนั่นที่พี่ที่เส้นไหนจะที่ที่ส้นอัครคุณวนี่ฮะนี่มันเป็นอย่างที่มันเป็นการมตัิหาอันหนึ่งวิภาวะตันหาอันหนึ่งอยากมันก็เป็นตันหาไม่อยากมันก็เป็นตันหาคือ คืออยากเห็นหน้าคนนี้ก็โอ๊ยคิดถึงอยากเห็นหน้าเรานนาแต่คนนี้คนขี้เกียดมันไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้ก็เป็นตันหาออีกเลยทุกทั้งนั้นแหละอยากเห็นก็เป็นทุกไม่อยากเห็นหน้ามันก็เป็นทุกมันเป็นตันหาทั้งนั้นในความเป็นจริงนี่ที่ปฏิบัตินี่เราไม่รู้จักจริตไม่รู้จักตันหาวิ่งตามจเิตวิ่งตามตันหานั้น เท่าไรมันก็ไม่พ้นจากทุก์เพราะมันไม่พ้นจากความอยากแั่เดีอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อมาให้มันมีทุกข์แต่เราก็ไปสร้างทุกข์ขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาเพื่อไาให้มันมีทุกข์เช่นว่าฉันอยากเกิด ถ้าถ้าหากว่าฉันเน่เกิดโดยฉันไม่พอใจเราแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายนะเห็นไหมเล่ะอืมแต่ฉันไม่อยากตายแต่ฉันอยากเกิดเฉยๆเนี่ยถูกไหมอย่างงั้นเกิดมาเรื่องไม่อยากตา ย, ยาไม่ได้เหี๋มันผิดอยู่อย่างนั้นละ่ะนิฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจ้องอาศัยการทําสมาธิให้จิตสงบระงับ ที่เราเรียกว่าพุโทโธพุทโธนั้นไม่ใช่ว่าพุโทโธเฉยๆหรอกพุโทโธผู้รู้อันนี้มันล่วงสามันชนที่รู้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ทุกวันมันรู้ที่เพียงว่ามันเป็นทุกข์รู้ที่พระพุทธเจ้าองค์การสอนว่าพุโทโธปุรนรู้ที่ว่ามันไม่ไม่มีทุกข์รู้การกระทําใหม่ทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นใจอย่างนั้นแต่นั่น ปฏิบัติบารทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันมันอยากดีปฏิบัติอยากดีเราเคยคิดว่ามันได้ดีแต่คุณได้ว่าหมดแล้วมันหมดเท่านั้นแหละถ้าได้ดีเล้กก็หมดเท่านั้นมันไม่หมดนะมันไม่หมดได้ดีมาแล้วก็ระวังนะระวังดีมันจะหายไปเหอะอน ะ, อะ ดีไปหายแล้วมันก็เกิดไม่ดีอีกเทนั้นแหละมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าพวกเราทําการปฏิบัตินี่จะทํำยังไงมัน้นะทำอย่างไรท่านว่าทําให้เหมือนแผ่นดินทําให้เหมือนน้ําทําให้เหมือนไฟให้เหมือนลมให้เหมือนของเก่าเพราะนี่ตัวเราคนคนหนึ่ง ก็มีดินสิ่งอะไรที่มันเคลื่อนแข็งในร่างกายเนี่ยมันเป็นดินสิ่งที่มันเหลวๆเนี่ยเป็นน้ําสิ่งที่อบูนมันก็เป็นไฟสิ่งที่ลมมันพัดไปมานะมันเป็นลมนี่มันก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมดินนี้แต่เทียบง่ายๆก็เหมือนดินธรมรมดาเรานี่นะเขาจะไปขุดมัน จะไปคุยมันยังไงมังก็ไม่เป็นอะไรนะอืมไม่เป็นอะไรจะไปทํามันมันแข็งจะไปทำมันมันละ ล, ะลายจะไปประสมของบูดของเน่ามันก็ใช่น่ะดินทําจิตก็าให้รู้สึกว่าดินมันต้องเป็นอย่างนั้นสักว่าแต่ถาดดินน่ะน้ําถ้าเป็นน้ําธรรมดาแล้วนะ่ะจะไปต้มมันมันร้อนก็ได้จะไปทํำมันเป็นก้อนก็ได้ จะอาไปล่างของโุกโปกอะไรจะไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะน่ะน้ําก็ไม่เป็นอะไรคงเป็นถ่านน้ำํำนี่ยนี่ไม่มีอะไรไฟจะไปเผาของหมิน่นของหอมอย่างไรก็จังมันเถอะไฟก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไฟอย่างนั้นอลมจะอาไปพัดไปโกะไอของที่มันหมินมากของโุกโปกมันก็ไม่ว่าอะไรนี่ นี่ท่านไอ้เทียบอย่างนานกองเราเนี่ยก็คือกองดินกองน้ํากองไฟกองลมคนไปหาความตามเป็นจริงแล้วไม่มีนมีกองดินกองน้ํากองไฟกองลมเนี่ยใจไหมเราก็เกิดขึ้นมามันก็เขาว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมแยกแล้วไม่เคยได้แยกเลย บากอันนี้ก็เราอันนี้ก็ของเราเป็นตัวเราทั้งหมดเลยไม่เห็นว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมแต่พระพุทธเง้าสอนโน่นทีนธาตุสี่ให้มันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมถ้ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมคนก็ไม่มีในที่นี้อทีนธาตุนี้สักแต่ความเป็นดินน้ําไฟลมสัดมุกชนไม่มีโอ้ยมันอยู่ลูกหลายเนาะ มันมันม <kidnapped zu> <Edge> ีเรื่อหลายมันมีเรื่อหลายค้นหาไปเห็นนะมันก็พิจารณาไปเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาตลอดเวลาฉะนั้นการภาวนามันถึงไม่ลุดมันถึงไม่ลึกมันถึงไม่จมลงไปพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติกันอยู่อย่างนี้น่ะในโลกนี่ถ้าเป็นอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่มันก็หมุนเยียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ ออได้ก็เสียไปเสียไปก็ได้มาตายแล้วก็เกิดเกิดเด็กตายเลยวุ่นวายเราจะปรารถนาอย่างไรมันก็ไม่ถูกเลยข้อข้ะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังไกลนะโยมนะยังไกลที่สุดเท่าไหนะ่ยังไกลมากอืพยายามเดิมเริกปิจนาไปเ ต, ต้นต้นมือเถอะอืมอย่าไปว่ามัน แกเพิ่งจะเขาวัดยาเนะนะแกก็ไม่ใช่ก้อนไหนแล้วมันจะแก่ก้อนหนุ่มๆอีแล้วมันจะแก่นี่นี่นี่ก้อนนี่ก้อนหนุ่มมันมันแก่หรือก้อนแก่มันแก่นี่ก้อนหนุ่มๆนั้นมันแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาอย่าปล่อมัแก่ก่อนเธอแก่ก่อนเธออ้าวก้อนหนุ่มเนี่ยมันแก่ไม่ใช่ก้อนอื่นหรอกต้องพิจารณาทุกคนทุกคนอย่างนี้ภาระของพวกเรานี่ยเดือทุกคนยังจะเป็นอยู่อย่างนี้อืม เป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนทุกคนอือย่างตระกูลพ่อแม่เราไปยังไงมายังไงไหมเกิดเบื้องต้นแล้วก็แปลตรงกลางผลที่สุดก็หลับไปไม่รู้ว่าใครไปไหนมาไหนอย่างนี้ออย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เข้าหาธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นบิชาอันหนึ่งอืเป็นบิชาที่สําคัญที่สุดวิชาทุกขแขนง ที่หากว่ามันจะไม่รวมในในวิชาพุทธศาสนานี้วิชานั้นยังประกอบไปด้วยทุกที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้อย่างน้อยก็เดี๋ยพ้นทุกไม่พ้นมากกวพ้นในเวลานี้อย่างที่เขาเขาว่าให้เราเราไม่โกรธเดี๋ยวนี้ก็พ้นไปแล้วนะพ้นไปแล้วพ้นทุกอถ้าเราไม่พ้นทุกเขาว่าให้เราเราไมโกรธเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่พ้นทุก ถ้าเราพิจารณาธรรมะอยู่อันนี้มันก่อนดินนะเว้ยเขาว่าเขาว่าก้อนขิ้ดินเก็ก้อนขีดินมันว่าก้อนขิ้ดินกันก้อนน้ํามันว่ายน้ํากันลมมันว่าให้ลมกันไฟมันว่ายไฟกันถ้าคิดไปถึงอย่างนั้นเขากบา็บ้าอีกแล้วคนไม่มีอกมีใจนะไม่กระตือรือร้อนตายเขาล้องให้กันเราเช้ยอันนี้ก็บ้าอีกแล้ว เราจะไปอยู่ตรงไหนดีเนาะทั้งที่สุดแล้วมันจะไปอยู่อย่างนานโยมอย่างนั้นการจึงให้รู้เห็นธทรำรเป็นปัจจิตตังบ้าอันนี้เราสบายแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตน้นไม่เบียดเบียนคนอื่นได้ชันพ้นจากทุกแล้วเอาละใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราได้ความจริงอยู่อย่างนี้ อันนี้มันเป็นปฏิจจตังรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้จึงจะอยู่ได้อันนี้ไม่ถึงขนาดที่พวกเราเนี่ย น, นะเด็กๆรุ่นรุ่นหนุ่ๆเข้ามาวัดสี่สองทีออกจากวัดไปเพื่อนเขาเ ย, ย้ยเออเดี๋ยวนี้ธรรมะธรรมโนะเธอนาเรนี่อายเขาจะแล้วนะไม่อยากจะเข้าวัดอีกแล้วเห็นเด็กหนุ่มๆที่มาเป็นลุกศิษย์เนี่ยแตสมาเทศฟังธรรมะอันนั้นเข้าใจเนะีหย เขาเออกไปก่อนไม่กินเหล้าก็เขาไม่เด่นเลยกับเขาเขาก็ย่อเยเอาจี้เออเดี๋ยวนี้เขาวัดเขาวานนะไม่กินเหล้ากินยาเถอะนั่นเะดี๋ยวนี้นะอายโซแล <c oughs> ้วยผลที่สูด ก, ก็ได้เล่นไปด้วยกันนั่นแหละมันลาบากอยู่อย่างนี้ฉะนั้นต้สงใจกับเด็กกระทองจริงๆนะปฏิบัติของเราเนี้ยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราให้อดทนกันให้อดทนกันในระหว่างครอบครัวก็ยังดีแล้ว อย่าทะเลาะบวชแย่งกันในครอบครัวในลูกในหลานของเราเท่าเนี้ยเราสะสมกันขึ้นมาทะเลาะวิเวียนวิวาดกันมันก็ไม่ดีไม่งามให้ฟังธรรมะให้รู้ธรรมะอ่นี้เอาไปตีบัติในครอบครัวให้มันเยือกเย็นก็พออยู่แล้วไม่ต้องอะไรมันพ้นทุกข์ชั่วคราวก็ยังดีอยู่แล้วเมื่อหากว่ามันเป็นมาให้นึกถึงธรรมะให้นึกถึงครูบาอาจารย์สอน นึกถึงท่านละท่านในละท่านในวางท่านในเว้นอืมนะให้ต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาอืธรรมะที่เราฝึกกันทุกวันนี้ก็เพื่อไปแก้ปัญหาปัญหาที่ไหนปัญหาที่ในครอบครัวของโยมอะไรมากไห ม, มปัญหาของลูกปัญหาของเมียปัญหาของเพื่อนปัญหา ทุกสิ่งสารพัดจนบนปวดหัวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยมันปัญหากันนะอันนี้ไปแก้ปัญหาดีกวอาชีวิตประจําวันของเราอยู่กับธรรมะเราทําไมได้จะเกิดเป็นมนุษย์มามีหูมีตามีแข่งมีขาทำให้จิตใจใเราอยู่สบายทํางานตามหน้าที่ของเราห ม, มันเดือดร้อนก็อดทนอโดยการแสวงหาของขีดของเรา ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งอืเป็นศีรธรรมให้อยู่มีความเย็นเย็นเป็นสุเกตธรรมะอันนี้ก็พอแล้วอยงนั้นขาดทุนน่ะขาดทุนนะนนะบรร โ, โสดมารัง โ, โสดนะไปบ้านนะทะเลาะกันมันขาดทุนได้ยินไหมละ่ะโยมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นแหละมันขาดทุนอืมมันขาดทุนไม่เห็นธรรมะสักนิดหนึ่งน่ะ ให้เข้าใจยังไงไม่มีผลนั่นอันนี้เป็นเวลาที่ญาติโยมที่ได้ฟังธรรมกันมา น, นี้พอสมควรเัอางนั้นอาต ม, มาก็ได้บรรยายธรรมมาสมควรกับเวลาอวัง